จะวัดแบบนี้เท่นะาวัดเช้าเท่าวัดเย็นจบลงก็ฟังธรรมกันปฏิบัติธรรมกันเรามีอาคีพเรื่องนี้กันสร้างประกอบความรู้สึกตัวเป็นจุดเริ่มต้น หมนทางไปสู่มรรคผลนิพพานก้าวแรกคือความรู้สึกตัวถ้าหลงแย่ไม่เินจะก้าวเลยถ้ารู้สึกตัวมากเท่าไรก็ยิ่งใกล้ตัวมรรคผลนิพพานมากเท่านั้นนั้นอยู่กับการกระทาของเราเราจึง เอาจุดนี้ก่อนให้มันเข้าถึงขันทีเช่นความหลงเนี่ยมันก็ถ้าจะพูดเราความหลงน่ก็คือหันหลังให้มักผลในผ่านควารู้สึกตัวก็หันหน้าไปสู่เห็นกระแสแล้วกระแสแหังผลในผ่าน ก็ความรู้สึกตัวเป็นธรรมความหลงมันเป็นธรรมเป็นอธรรมธรรมย่อมนไปนรกธรรมย่อมนำห้ถึงสุคติจั๊พุ้ยเจ้าเคารพพระธรรมได้เป็นมาแล้วได้เป็นอยู่ด้วยละจะเป็นไปด้วยอย่าง เขาลบก็ทำคือเขาลบจังละเวลาเราหลงตัวเรารู้สึกตัวเนี่ยโอ้หน้าเขาลบเขาลบเวลาเราหลงเราลู่ได้กลมหลงหมดไปแล้วครับทีไรมัเป็นอย่างนี้หลงทีไรก็เป็นอย่างนี้นนแค่ได้เราก็เขาลบ ก็ทำอยู <sympath icking> ่กับตัวเราก็ทําอยู่กับคนอื่นก็หน้าครุพกทําอยู่กับอุบาสกก็หน้าครุปอุบาสกพ็ทาอยู่ในอุบาสิกาก็กหน้าครุปบาสิกากอทําอยู่ในครูวบาอาจารย์ก็หน้าครุปครัวบาอาจารย์ไปทําอยู่ในนักเตียนก็หน้าเครพนักเตียนเหมือนกับอย่างอาจารย์เชน สวนลูกศิษย์แล้วก็เดินทุดงหน้านี่แหละออกมาสาใหม่ๆกับเ น, นน้อยเดินไปเ ข, เข้าป่าไปเดินไปบางแห่งเห็นป่าเงียบป่าดีเย็นน้าใสไหลเงียบเ น, นน้อย พูดคุณว่าโอ้อาจารย์ที่นี่น่าจะนั่งสมาธิภาวนาดีเนาะอาจารย์ก็ไม่พูดสักคำก็มาภายบัตเน้นโตะเน้นภายบาทแให้อาจารย์ก็มาขอภายบาตัตเนนให้เนเ้นเดินรอบก่อน ไอเนี่ยเดินออกก่อนอาจรย์เดินตามหลังก็เดินว่าเอ้ดินแหพอไปถึงบ่าไม่หลงเหลืงน้าซึมซับลงๆต้นไม้สูงๆเน้นนวดโอ้ตรงนี้น่าจะสรางบ้านเรือนทาไรทานาดีร้อนเนี่ย อาจารย์ก็เลยเอาเต้นหายบาตให้เดินตามหลังเราให้เนน้อยจะยปบาตรแล้วก็เนนน้อยเดินตามหลังแล้วก็อยู่ที่เดิมก็ถ้ามันอยู่กับเนนน้อยให้เนนน้อยเป็นอาจารย์ก็ได้ถ้าไม่มีกับเนน้อยเลยน้อยเป็นลูกศิษย์สังเกตได้จากคําพูดที่เรามายาต่างต่าง ในชีวิตเราก็เหมือนกันบางทีมันคิดเหมือนาญาติเหมือนโยมแล้วก็เป็นโยมไปแล้วคิดเหมือนสามีปัญญากปคิดเป็นไปก็เป็นสามีปัญญาไปแล้วเป็นอาปัดได้เหมือนกันเราจึงมีสติเท่านั้นที่จะเห็นเรื่องนี้ไม่ใช่คนเดินมา บอกเรานะต้องเรามัดระวังกันอะไมา ก, มา ก, มากเพยยงแต่เรามีสติก็ได้หลักแล้วถูกจุดถูกจุดหมายปลายทางแล้วถ้าเรามีสตินะตวัวเราเองติเตือนตวัวเราเองโดยฉินได้หรือไม่ลูกค่อยๆกวนแล้วติเตือนเราโดยฉินได้หรือไม่ ที่จริงก็คือเราเถ้าเราไม่รู้จักตัวเองคนอื่นก็ตือนเราก็ก็จะไม่รู้บางทีเราโอาบทเรียนตอนศึกษาธรรมะนะครับเาจากที่มันเกิดขึ้นกับเราแท้ๆเช่นเราสัมผัสกับความรู้สึกตัวเคลื่อนไหวกายเคลื่อนไห ว, ไหวเป็นกรรมฐาน มันก็ต้องเห็นความหลงความสุขความทุกข์ที่เกิดจากกายจากใจที่เราไม่ได้ตั้งใจเราก็ได้บทเรียนจากสิ่งเหล่านั้นไปเรื่อยๆในเราเวลามันหลงเราก็รู้นะเวลามันทุกข์เราก็รู้นะมันตรงกันตรงกันข้ามเรียกว่าหลวงปู่เตียนว่าพลิกโลกพิกโลกเปลี่ยนล้ายเป็นดี เปลนผีเป็นถูกเป็นทุกเป็นเป็นรูปทั้งหมดเลยพลิกโลกหัดพิกโลกมันก็เปลี่ยนได้ไม่ใช่จับโลกไปเปลี่ย น, นโลกคือรูปคือรสชาติของของโลกรสชาติของโลกคือรูปรสกลิกลก่นเสียงสัมผัสอารมณ์เป็นรสชาติของโลกมาพิกโลกก็คือพิกหนัก บางที่เราพริกไม่เป็นเขาก็พิกเราเพป่นความเสน้นทาของคนบางคนก็เอามานินทาตัวเองต่อไปไม่ได้ประโยชน์ความเนินทาที่เขาเน้นทาเราเอามาเป็นพิกโลกได้ถ้าจะโกรธก็โกรธตัวเองถ้าจะอ เอาผิดก็ผิดกับตัวเองถ้าความนินทาเป็นเหมือนกับเขาว่าหรือไม่เป็นก็ระมัดระวางบางทีเราได้ประโยชน์จากการเนินทาของคนบางทีเราได้โทษจากการสร่เสริญของคนถ้าเราฟังไม่เป็ดเราใช่ไม่เป็นไม่รู้จุดจุดที่เราจะพลิกมันต้องพลิกตรงไหนอะไรก็ตามก็ต้องมีปฏิบัติ ขับรถผิดทางก็ต้องกลับมาเข้าทางเขียนผิดก็ต้องลบสิ่งที่ผิดออกหรือว่ามีเทศกานปฏิบัติในโลกเนีย่ยเราเนีมาทำโรยตรงอยู่แล้วเพายิ่งดีจะได้รีบด่วนจะหน่อยหรือว่ากวดวิชาสักหน่อยอาจจะหนึ่งวันสองวันสามวันอาจารย์อ่านเราเขียนหน่อันลถของโลกนะ เป็นเป็นสิ่งที่เราทำได้เพรพราะเพรมันเห็นมันสัม uh, ผ mm ัสเราอยู่กับต่อหน้าตัวตาเราลองรู้จักตัวก็รู้ต่อหน้าตัวตาควมบ้องก็หลงตัวหน้าตัวตาเราความสุขควทุกข์กทุกต่อหน้าตัวตาเรามันมีให้เราเปลี่ยนมีให้เราปฏิบัติไม่เสียหาย สิขาเล่ธรรมศึกษาเล่ธรรไม่เสียหายถลุมทุกเรื่องสิขาเลยทําทเป็นเครื่องชีวิตนะชีวิตที่มันเป็นส่วนนี่ไม่ใช่ชีวิตหรือเลือดเนื้อหนังลมหายใจเขาชีวิตจริงๆมันคือภาพที่ไม่หลงถ้าหลงทีเลยก็ไม่ใช่ชีวิตเราจึงเป็น งที่น่ากรตือรือล้นกับการปฏิบัติธรรมนั้นก็ทำได้เวลามันหลงเราก็รู้เวลามันทุกข์เ ร, รู้ลองดูสภาพที่ดูกสึกตัวเนี่ยเป็นสภาพที่ศักดิ์สิทธิ์ก็ว่าได้ ไม่ใช่เป็นบทเอาความศักดิ์สิทธิ์ไปอยู่กับวัตถุสิ่งของพิธีรีตองนี่เราสวดมนต์บทสวดมนต์ที่ท่านเขียนไว้ในหนังสือโคดสังโกจะสังกะตัวธรรมมนาวิโจยถาลำปิติปัจจติโพสังกาห <c oughs> มายถึงอะไรก็หมายถึงตัว ป, ปฏิบัติไม่ใช่เป็นการสวดเอาศักดิ์สิทธิ์ในตัวหนังสือ เป็นตัวปฏิบัติอยู่กับเรา ส, าสร้งจจางกั้สมองพิจิตถาวรยำปิติปัจสติโพดสัสงขาวิยมปิติปัจสติบิดยำปิตก็คือความภาคเพียรปัสติก็คือความสงบจากการปกุลงต่างเราก็ทนั้นไม่ใช่ส่วนเป็นตัวปฏิบัติทั้งหมดแล้ว ที่บ อ, อกมาเป็นการสวดเป็นสูตรแต่ละสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าที่ทําแล้วไม่ใช่บทนี้เอาไปสวดนะไม่เคยไม่เคยสอนหล่อสาวบกอย่างนั้นเลยนี่แต่ทําทำเลยแล้วเป็นอย่างนี้เลยมีเป็นบทสูตรออกมาเพราะเป็นการปฏิบัติกรองออกมาแล้ ว, วลวดกรงออกมาแล้วผ่านจากการกันกลองใช้ได้เหมือนอยู่หัญญา ผ่านวิทยาศาสตร์ทดลองมาแล้วทำทั้งหลายที่เราเมือสวดเน่ยมันเป็นตัวปฏิบัติทั้งหมดถ้ามันผิดก็ปฏิบัติจะให้มันผิดถ้ามันถูกก็ปฏิบัติทําให้มันถูกผิดก็ปฏิบัติถูกก็ปฏิบัติไม่ใช่ไปเอาได้เอาไม่ได้ถ้าตัวปฏิบัติจริงๆถ้าเป็นทุกปฏิบัติความทุก ถ้าปฏิบัติถูกก็ไม่ถูกไม่ใช่ได้ไม่มีคำว่าได้ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วโคตอต่อโคตรทำดีก็ดีทำชั่วก็ชั่วคำว่าได้ไม่ต้องมีก็ได้เราจึงฝึคขนตนเองมันสนุกสนานปฏิบัติธรรมนะเป็นเรื่องส่วนตัว ส่วนตัวส่วนตัวหลงก็หลงเองลู่ก็ลู่เองอย่าไปพึ่งใครให้พึ่ง ต, น เ, งตนเด่งใมากๆเพือนตนเด่งให้มากๆแช่ไขตนเด่งให้มากๆทำอะไรก็ตามนาเช่าหลงตาไปลงทานเราเห็น แม่ครัวไม่อยากเรียกว่าแม่ครัว <c oughs> เสียศักษรีเขาคือเรือกเทวดาไปเห็นในขีนะปอกสับปะรดโอ้เทวดานะ้อถ้าไม่มีน้ำใจนะเพราอผู้ดีกินทานสับปะรดก็ไม่ต้องปอก พี่ก็ไม่ต้องไปตามไปหาอะไรเาทำให้เราโอ้เทวดานะอย่าเรียกแม่ครัวนอเป็นเทวดาได้ยินไหม <laughs> เป็นเทวดาอ้โงครัวนี่เขออาเปลี่ยนจะเป็นลงบุญจะเป็นลงบุญโงทานอย่าเรียกว่าลงครัวถ้าเทวดาจริงจรงน่ยมันไดุ้ลตรงนั้นด้วย ผู้ทำอาหารก็เป็นทําบุญโอ้ทาให้คนจินคนกินไม่ใช่อาหารเป็นเลือดเป็นเนื้อของเขาไม่น่าจะมีปัญหาคนทําอาหารถือว่าเป็นเทวดาวก็่าไรอย่าไปหาเทวดาที่ไหนสร้างในชีวิตจิตใจของเราล้มตาเป็นนอนตาอยู่ห้องไอซียู่มองภพยาบาลเออเทพธิดาของเรานาะเนะ่ย มองนายแพทย์อเทพบุตรของเราเนาะที่นอนที่อยู่โอ้ยนี่แหละเมืองสวรรค์ของเราอยู่มิตรเทพพิดาเทพประบุตรไปก็ท้อมที่ช่วยเรามาพูดพ่องวันสามคนสี่คนเอาจากนั้นเอาอย่างนี้โอ้เทพประบุตรเทพประบุตรมิตรคนที่คิดช่วยเรา พิธีช่วยจนตนะถ้าหลวงพ่อหายเจไม่ได้ผมจะเอาอ น, นิโมให้ใส่ครอบครอบจมกูกถ้าหลวงพ่อยังหายไม่ได้ผมจะอ น, นิมาใส่อีกถ้าหายใจไม่ได้ผมจะอน่มาใส่ถ้าหายใจไม่ได้ผมจะอ น, น, มาามมะนิมาสอดเข้าไปในคอเขาโชว์ให้อื่นนะโอ้ย ไม่รู้สึกอะไรไม่กลัวเลยโอ้ยนี่喏เทวดามีเทพผู้คิดช่วยเรามองลงไปาบานเหมือนสวรรค์เลยทีเดียวมองโรงพาบานเหมือนเทพฤิดามองนายแทยเหมือนเทพประวดมองทุกคนเนี่ยเป็นบริวารทั้งหมดเลยมีความสบายที่สุดไม่กลัวโอ้ย ให้ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วปวดตายอยากให้หายไม่ได้คิดแบบนั้นเลยนี่เด็กสนุกสนานไปกับสิ่งไรหรอกเอาเจอดนะังคุด่าก็ยังสนุกนะจะว่ายังไงมันดีก้อนนินทาก็ดีไปเดือดร้อนอะไรไม่คใครเห็นตัวเราทัศน์ต่อโลกเราจำนำเพิกก็มีสติ รู้สึกตัวเราก็ทำของเราคนอื่นเาบอกเออดีเรากำลัลงทำอยู่ไม่ต้องมาเอาเรื่องชอบไม่ชอบไปโกตัวมีแต่รู้รู้ไปเรื่อยๆไปรู้ไปเรื่อยๆไปแล้วได้ผลเรียนกับการทำงานการปฏิบัติธรรมือการทำมั่คือการกระทำคือหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ ใหหน้าที่ตลอดเวลาอย่างน้อยตอนนอนตอนเย็นตอนนอนก็ให้หน้าที่นอนอดี๋ยาหายเรื่องมาคิดให้มีความรู้สึกตัวถ้ายังไม่หัดถัดไม่เป็ก็เอาเศษนิมิตส่วนใดส่วนหนึ่งเกาะไปก่อนถ้า ท, ำทํำตีแรกก็วางหมดเลยไม่ต้องมีอะไรปล่อยหมดเลย ว, ว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเปนตนไม่มีอะไรเป็นอะไร นอนหอนแลมันจะมีขึ้นมาโอ้ดีจะได้เห็นไรได้เปลี่ยนไม่มีอะไรมาเท่าไรก็ไม่มีอะไรถอดสะพานซักสะพานออกอย่าร่วมให้ไม่มีที่ตั้งไม่มีที่อาศัยซักสะพานออกแล้วเราไม่มีอะไรให้เธออาศัยความสุขก็ไม่มีความทุกข์ก็มีความผิดความถูกของอะไรต่างๆไม่มี นี่แต่ ว, ว่าเปล่าจกากความหมายอะไรทั้งหมดเลยสนุกสนุกปฏิวัติธรรมะไม่มีเลสนุกคำว่าสนุกก็เป็นสมมุติปัญญาต้นะไม่ใช่ปรมาจักรอาศัยสมมุติมาพูดถ้าไม่พูดอย่างนี้ก็ไม่รู้จะพูดคำใดลุกขึ้นมานั่งต่อหน้ามันก็ปิดปากลู่อะไร ไม่มีคำพูดไดไม่แต่ปิดปากเงียบไม่เป็นนารเหมือนสานักสอนเชนลูกศิษย์ไปฝึกหัดอยู่ในสานักมากมายในวันกาหนดเดวัน1ิบวันหมดคอรเหมันกันเราถับมาอยู่นี้ก็มีประเมินกัน ลูกศิษย์บางคน็รู้นั่นรู้นี่ลูกศิษย์บางคนก็รู้อย่างนั่นรู้อย่างนี้ลูกศิษย์บางคนก็ไม่รู้อะไรเลยคนสุดท้ายก็ให้พูดพอขึ้นมาเดินขึ้นมาก็ปิดปากไม่พูดจะคําเลย <c oughs> อาจารย์สรรเสริญอาจารย์สรรเสริญลูกศิษย์คนที่ไม่พูด ทำไมจึงไม่คูดล่ะนีอะไรแต่ก่อนมันมีว่าไม่มีอะไรก็ไม่ต้องใช่คือรู้วพูดอะไรก็เลยพิดปากให้ใช้พิดปากันมันนะพิดพากเป็นภาษาธรรมถ้าเป็นภาษาคนก็อืไม่มีไม่เป็นอะไรกระพูดไปนี่ก็ได้ไม่มีอะไรไม่เป็นอะไร สุขก็ไม่เป็นทุกข์ก็ไเป็นลูกก็ไม่เป็นเห็นมันลูกเห็นมันไม่รู้เลยไม่เป็นผู้ลูกไม่เป็นผู้ไม่รู้ไม่เป็นผู้ผิดไม่เป็นผู้ถูกไม่เป็นผู้สุกไม่เป็นผู้ทุกข์ไม่เป็นอะไรกับอะไรจบตรงนี้ชีวิตการศเษาธรรมะมันเห็นเพื่อให้เราเลยไม่เป็นไปกับมันเห็นกายเห็นลูก รูกมันบอกมันจะไม่ใช่อะไรลูกมันก็ไม่ใช่ตัวเชยตนเวทนาก็มันก็ไม่ใช่ตัวเชยตนจิตมันก็ไม่ใช่ตัวเชยตนทำที่เป็นกุศลอกุศลก็ไม่ใช่ตัวเชยตนเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาของของธรรมเป็นเช่นนั้นเป็นเช่นนั้นเป็นเช่นนั้นเเปธรรมมานาลังไอเปนาวาสายะ ตถาาเป็นเช่นนั้นไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเป็นสิ่งที่วางง่ายๆกลัวการไปถือถ้าวางมันก็ง่ายกว่าถือเขายึดเอาเราจึงมาดูดีๆอานพลิกล้พลิกโูกปฏิบัติทรมันพิกลูกมันพิกได้ อันที่มันมีรสมันก็จืดไปนะแล้วก็อยู่เหนโลกได้นี่พระพุทธเจ้าทรงสอนพระสาวกให้รู้เรื่องนี้เราจึงปฏิบัติกันอยู่นะที่ไหนก็ก็ปฏิบัติกันแล้วพวกเราก็จะให้เสียเวลาให้ได้ผ่านหูผ่านตาผ่านการสัมผัส สมหลงความรู้สัมผัสของทุกข์ความรู้สัมผัสความโกรธความรู้สัมผัสควารักความชังหรือใจสีใจเป็นความรู้สัมผัสกับได้เสียสุขทุกข์เป็นความรู้สัมผัสกไุขทุกป็รักั้เกป็นทางรห้สัมได้เสสเป็นความู้ด้เียสุขเปนคามรู้สไียสุขทุเปนามรสมผไียสุเป็นามร้มผก้เก็นควมรู้ มันลุกไม่มีลอยลอยเราก็เหยียบไว้ลู่ไปลู่ไปลู่ไปลู่ไปมันหลงตรงไหนลู่ตรงนั้นมันสุขตรงไหนลู่ตรงนั้นมันทุกข์ตรงไหนลู่ตรงนั้นทางจะมีตรงที่มันเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นหลงเป็นรู้เป็นได้เป็นปีเป็นโตมันทางอยู่ตรงนั้นไม่ใช่ให้มันจนอยู่ตรงนั้นอันพบทางอยู่ตรงนั้นทางไม่ใช่ไป ที่ใดหาตรงเต็นที่มันไม่ใช่ทางเหมือนเราจะปลูกข้าวปลูกพืชอันที่โล่งก็ไม่เอาต้องหาที่มันมีป่ามีหยกมีหญ้าฉั้นคนจีนมาอยู่บางทยถ้าเห็นหญ้าเขียวขึ้นหมดแสดงว่าไม่อดประหยัไว้หนึ่งลงตา ขุดสระวัดภูดขอทองม่อก็มีน้ําคูสะไม่มีหญ้าสักเส้นพวกเด็กชมลมลักนกโอ้ไปขนขวยปูขุดเอาไปปลูกตรงที่ไม่มีหญ้าก็ลปลูกแล้วก็มาขึ้นจากต้นเลย <c oughs> <c oughs> ไม่ต อ, <c oughs> <c oughs> อนนั้นเนี่ยอันดินดีเพราะห่้าปลูกดินมันจะดีเพราะไม่หญ้าปลูก มันชีวิตวเราที่มันเกิดทางาก็มันลุกมันจึงเห็นทางถ้าเห็นทางตรงนี้มันไม่ลกุกมันไม่ใช่ทางอาจจะเป็นหน้าผาอาจจะเป็นพลานหินแล้วก็หลงตรงที่มีทางถ้ามันหลงตรงถ้ามันมีทางตรงที่มันลกุกมันมไม่มีโอกาสหลงเห้ืนอนเาเดินขึ้เขาสมัยก่อนเดิน ลงรถจากแกงข้อประมาณหกโมงเพราะว่าจะมานอนที่กลางทุ่ง่ะก็เดินลงรถมาเดินออกจากตลาดมาฝนตกเปียกเดินตกก็เปียกจะนอนก็ไม่ไม่นอนลมก็ไม่มีไฟฉายก็มีพอมันเปียกแล้วจะนอนไงก็เดินตะพือตพื่ไปเดินขึ้นเขาพอมาถึงเขาลง นักกว่วก็มืด น, นะถ้าเลี่ยมทีใดก็มองไปมองเย่งี้นะถ้าไม่มีไฟก็มองขึ้นอย่างนี้นะไม่ใช่มองแบบนี้นะมองสูงๆเป็นต้นมาเป็นช่องก็มองไปมองเอาขาสอดไปถ้าขาเตะไปไม่มีทางก็ถอยกลับมา <c oughs> น, นี่ถ้ามันไปอย่างนี้ก็มีทาง ล, ละแล้วเลยมันบอกทางควมลกมันบอกใช่ไหม ถ, ถ้าขาต่อไปไม่เห็นความโลกมันก็ไม่รู้ทางจะต้องหันหน้าหันหลังพอต่อไปมันถูกน้ น, นโตไปมันมีทางไคิดว่างูจะไม่กัดเสือก็จะไม่ทำลายช้างก็ไม่ทำลายนันก็ชีดิดเรานะเดินมาถึงตั้งตีสองจากเชียง้อหกโมงเย็นมาถึงนี่ตีสอง ขึ้นหน้าผาไปแล้วไปจนหน้าผามันไม่มีทางใช่ไหมหน้าผาเป็นข้อหินขึ้นไปก็ไปเป็นหน้าผาไปที่ไหนก็เป็นหน้าผาอันโล่งๆมันไม่ใช่บอกกันก็เลยถอดลงมาถอยลงมาก็ไปใหม่หน้าผาไปไม่ได้ถอยกลับไปก็มา <c oughs> เสียเวลามาถึงนี่ก็ที่สอง น, นี่สนุกทุกไหมให้ทุกแต่ สนุกสนุกสนุกสนุ ก, นกวันคนทุกหัวเลาะตัวเองพระเสบງไอขาดหมดเลยผ้าเปียกนุ่งเดินทางเปียกกิวอนก็ส้อยวนอันใดอะไรเงี้ยอันนี้ทางก็เหมืกันทางบนผิวโลกพออยู่ที่ตกลกุกไม่ลกุกมันไม่เป็นทางจะไปเดินอยู่พลันหินมันก็ไม่ใช่ทางมันไม่จริงมันหลอกหลอก มันสุกมันหลอกเรามทุกข์มันบอกหลอกมัมสุขความทุกข์ที่เห็นมันสุกมันทุกข์มันไม่หลอกถ้าเห็นมันสุขมันทุกข์มันหลอกได้ถ้าเห็นเฉยๆมันหลอกไดนะ้อะไรก็ตามไปเช่นนี้เอวังก็มีเรื่องการเช่นนี้